กายเป็นความรไปย่งพอมเขียนเิดแผ่กอการเพื่อ น, น, นจับธมิกที่กราพูดกโโัารผ่อัน ท, นทํามายัางเอเมีในตอาานาก็นั่งฟังกันรู้สึกตัวไปด้วยสิ่งที่ ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติปริวัติธรรมนเป็นวิชาหลักครับจริงๆมันไม่ใช่วิชาเลือกการแก่การจัดการตายความทุกข์นี้มันดูนไม่คันรู้ไม่คันไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคน เป็นตัวชีวิตจีวาจ ว, ว่าเนหรือว่าจิตใจตัวชีวิตมีกายมีใจแต่ว่าจิตใจนี้เรามองไม่เห็นถ้าไม่ผ่านความรู้เนะื้อรู้ตัวรื้อันนี้สติตาในเราจะมาฝึกกันฝึกหัดกายนั่งเดินยืนมอนรู้สึกตัว ในสติรู้เท่ารู้ทันจริจิตใจเวลามันคิดมันไม่เป็นโปรุงมันแตกการฝึกการหัดมันก็มีรูปแบบชัดเจนรูปแบบการนั่งสร้างชาวาการเดินจงกลมที่เรากําลังมาฝึกกันอยู่มันก็จะมีพัฒนาการการรู้เท่ารู้ทันที่เรียกว่าจิตตาภาวนาจิตมันมีการว่าดใ บ, บา จ, จิตจิตนะ แล้วก็พัฒนามันโดยการให้มันมีปัจิบันกรักษาผูปัติรักผ่านปัจิบันกรักษาแต่ลกักษามันมีอาการมีปุถุยาต่างๆอาการของกายของใจมันมีปุถุยาอาการเช่นความคิดมันเป็นเงาของจิตปัวานที่จิตใจของเรามันจะพุ่งมุ่งบางทีก็หลงไปบางทีก็ ใช้ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติเจตนาคิดเจตนาผููเจตนาธรทำเกิดจากตัวสติเกิดจากความรู้สึกตัวที่พัฒนาขึ้นมนาะตัวนี้แหละมันจะเป็นธรรมะเป็นวินยัย เ, เห็นของจริงจริงๆกายของเราคืออะไรกันแน่เรารู้เท่ารู้ทันจะาเป็นประโยชน์เป็นคุณค่า การที่เกิดในจิตในใจมันคือธรรมชาติกัเหมือนกันเป็นปุสสะธรรมเป็นอาปุสสะละธรรมเราก็ถูกมันสั่งงานสั่งการถ้าไม่รู้ทันห น, นีพลเมียมากมากเราก็เจงมีความรู้เนื้อรูรรรรร้ตัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมายันหลับจปนมีนิสัยนิสัยเป็นเกิด เป็นผลขึ้นมาเหน็นว่าปัจจัยการจนบุญนํำก็เรียกว่าความรู้พาทำรวรดรรรปัญญาพาธรรมเรียกว่าบุญพาไปก็แล้ บ, บ, บุญบุญบุญนำบุญคำบุญชูต่อ บ, บุญก็คือความสุขจะมีอยู่ทั้งใจวาจาใจทกงหลยยิ่งยิ่งขึ้นไปแสดงเหมือนกันว่ามันได้กันตอบจริงๆ เดินจนกลมนั่งสร้างจังหวะจนกทังมันพัฒนาไปเป็นตัวรู้ที่รู้ตือนเบิกบายมีรู้เท่ารู้ทนานจริงๆอาการที่มีทั้งภายนอกทั้งภายในมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมีความเป็นกลาง ม, มีความเป็นธรรมก็มีสติมีปมัญญามีสี่มีธรรมทําอะไรก็เป็นธรรมชาติไม่เป็นกรรมมีกรรมฐานเป็นที่ตั้ง มันจะนณะนี้สำคัญการเคลื่อนการไหวที่เราเจตนาผลิตขึ้นมาแต่ละกษณ์มันจะเป็นตัวกํากับเป็นกรอบเป็นกดเป็นแพนเป็นคอเป็นแพนกําหนดแต่ละขณนะมันก็ไม่ได้เกิดกำมัดอะไรกำนดลงไปรู้จริงๆรู้ถูกจริงๆคมชัดชับไวเคลื่อนไหวครั้งหงนึ่งรู้สึกตัวครัง้งหนึ่งชัดจับไว มีอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อกรู้เท่ารู้ทันมันไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังทานอยู่มันเป็นปรากฏการณ์เฉยๆมันเป็นเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกลันมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เรากําลังรู้เท่ารู้ทันอยู่ตั้งใจอยู่เจตนาอยู่อันนั้นเนะ่ยเรามากักจะหลงเพลเข้าไปแต่ไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติจริงๆ เราก็จะมาฝึกมาหัดกันเห็นแล้วเห็นอีกเห็นทซ้ํางทีก็งงเฮาๆนอนที่ก็เจ็บปดเมื่อยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกทำซ้ําทำซ้ํำจนหายสงสัยแต่ว่าความคิดมวอกวนมากคิดแล้วคิดอีกวกวนเหมือนไทายเรือในอ่างคิดแล้วกรอดคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์ ตอนนี้เรามีความรู้สึกตปวม่ยนก็รู้แล้วมันเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เราห้ามมันไม่ได้แต่ว่ารู้ทันได้ตลอดเวลาเวลาหรือบางทีมันรู้ก่อนมันปกติอยู่ก่อนที่จะโกรธได้มันปกติอยู่มันรู้อยู่มันมีการปล่อยวางอยู่มันว่างมันว่างปกติมันมีความเป็นกลางมันมีความเป็นธรรมอยู่มันมีอาการหลงเปลือง ว่าไหวแว็บก็เป็นในความคิดแต่างทันทีทันใดเหมือนกันตรงนี้นนแหละมันจะเป็นตุลาของปฏิหารในชีวิตของเราเป็นความอัศจรรย์ใจที่องค์สมเด็จสัมมาฯเจ้าท่านค้นพบได้อย่างไงจนกรทั้งครูบาอาจารย์บุรพอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้ตามสงสารทั้งหลายทั้งส่วนก็รู้ตามจนม ท, ม ท, ม ท, มทั่งมาถึงยุคเรา ก็ยังมีคำบอกคำสอนมีแก่นของธรรมมีการหลุดพ้นมันมีจริงๆว่าได้สัมผัสขณะที่ปฏิบัตินี่แหละเคิื่อนไหวรู้สึกตัวอยู่ดีๆมันคิดวูบไปจะกาทั่งมันก็ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยไร้ในตัวเราภัยที่แท้จริงก็คือภัยไร้ในตัวเรานี่ก็เรียกว่าภัยวัต่างสมงสาร คือมาานเพราะท่านพูดถึงเพราะเศษจึงติดเพราติดจึงอยากก็อยากจึงเสดตัวนี้แหละมันเป็นแรงเบี่ยงเป็นแรงดึงดูดกิเลสมันดูดยึดกัดตอนทพูดที่โง่ที่กล่าวแล้วหลงงงเผลอก็ไปตกลมจนัาทีถอนตัวไม่เพิ่มเดียวกิเลสการมวิบากเพราะเสษจึงติดก็ราติดจึงอยากก็อยากจึงเสดทางวัตถุตามมคุณตาหูจมูกิ้นกายใจ เพราะไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไม่มีสติปัฏฐานจิตไม่มีหลักไม่มีแรงไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีที่พึ่งแล้วก็พอใช้แล้วก็เจริญเห็นแล้วเห็นอีกกันคิดอะไรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราส่วนของเราคือรู้สึกตัวอยู่มีปกติอยู่ชัดเจนเพราะนัะ้นสติจึงเป็นธรรมชาติ ที่ช่วยปัดกรรมที่ช่วยให้พ้นกับวิบากหรือ ว, ว่าสิ่งที่เราเคยตอบย้ํำซ้าเติมตัวเองมาหลงเผลอจนกรทั่งเกิดนิสัยขึ้นมาโทล่ใส่จิตโมหะจิตหลงแล้วหลงอีกหรือว่าโกรธแล้ ว, วโกรธอีกถึงเครียดมันพ้นออกมาได้โมหะจิตหลงแล้วหลงอีกมันพ้นออกมาได้ ม, มีความรู้นรู้ตัว ร, ร, รู้สึกตัวมันทันทีทันใด อย่างที่นั่งอยู่นี่บางคนเหลือเชื่อจริงๆมีความสำเร็จสูงมากทํางานต่อเดือนเดือนละสองล้านบาทเหลือเชื่อทําได้ยังไงหนึ่งเดือนสองล้านบาทอายุไม่ถึง30ปีหรือบางคนก็เดือนละห้าแสนบาททําได้ยังไงสตางค์คือเงินที่ชาระนี่ได้ตามกฎหมายแต่ละสติมันชาระนรรมได้ตามกฎของธรรมชาติ กรรมอะไรที่เคยทำไว้มันเปลี่ยนเป็นธรรมชาติอ้โหสีกรรมให้อภัยไม่มีพิษไม่มีภัยอันนี้อะไรเราตัดพพตัดชาติตัดเวนตัดกรรมกันตุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันคืนความเป็นปกติใหสู่จิตสู่ใจคืนสู่ธรรมชาติเดิมๆแท้ๆทุกครั้งที่มีความรู้รู้ตัวรู้สึกตัวมีสติมันก็จะมีศีลสมาธิปัญญานี่นะครัครบองค์ของมันพอดี เราก็จะได้ใช้ใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจใช้วาจาของเราเลยพราะจิตใจของเรานี่มันมีอำนาจมีอิทธิพลแล้วก็เป็นใหญ่ตะกนี้ถ้าหากว่ามีสติมีปัญญามีวิชามีความรู้รู้ถูกมีสัมมาทิฏฐิก็าพาไปสู่ความสุขสวยรวยดีหรือว่าเห็นความจริงของโลกไปนั่นคืออะไรโลก ของความจริงที่กลของเรามันมีอาการจิตใจของเรามีอาการมีแล้วนะของสมมุติบัญญัติในจิตใจนะมันมีแล้วนะของความคิดที่เป็นวัตถุความคิดนี่เป็นวัตถุด้วยนะและ้วนะที่ก็เรียกว่ารูปนามหรือว่านาม้มรูปน้ำรูปยังเป็นวัตถุคิดถึงคนอื่นเคยทํากับเราคิดพูดธรรม เ้วเกิดความไม่พอใจเกิดความพอใจความสุขความทุกข์ในอดีตอย่างนี่ยนะมันก็จะพุดเกิดขึ้นมาบางทีเรียกว่าบาปว่ามืดว่าโง่ว่าได้มันฉายขึ้นมาเราก็อ๋อเห็นแล้วเห็นอีกตรงนี้แหละที่มันจะช่วยเราชาระนี่กรรมได้ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปไอยู่ในโลกของความเป็นจริง ชีวิตจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําไม่ได้หรือ ว, ว่ามันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกหัดแล้วก็มีร่องรอยที่มันชัดเจนจริงๆโดยเฉพาะการเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดมันชัดเจนจริงๆแล้วก็ดูรูปประธรรมที่มันมีอยู่ขณานี้ที่เรียกว่ารูปขันมีธาตุสีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลม สพิตามันก็คือธาตุลมก็ไดะ้การหาไ ป, ไปไหายมาเรื่อยลมหายใจเข้าออกคือธาตุลมก็ไดะ้ลมหายใจมันก็แท้ที่จะหมุองเราที่เนื้ อ, ท, อที่ตัวของเราด้วยการยกมือเคลื่อนไหวทุกสี่ชั่วไหวอันนี้นก็เกิดไฮโดรลิกลนะลมหรือว่าเลือดเนื้อกระดูกเอ็นระบบประสาท ต, ต่างๆขยับไปเลื่อนเคลื่อนไหวด้วยลมเบื้องล่างต่างๆลมในช่องว่างต่างๆ มันก็คือสิ่งเดียวกันมนัคือตัวกายของเรากายเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นใจมันนึกมันคิดเมื่อเอาใจของเรามีสติรู้อยู่กับวัตถุรูปธรรมแยกมาซะเมื่อก่อนมันเคยจมหมกมุ่นอยู่กับความคิดพอมารู้อยู่กับวัตถุรูปธรรมขึ้นมาการเคกินกันบ่อยเป็นปัจจุบันกันไหนราได้เห็นความคิดซึ่งมันมีพลังแต่ว่าไม่มีตัวตนแต่รู้ไม่ทนันมันก็จะมีอนานาจ โกรดได้ใหม่ร้องไห้ได้ใหม่ทุกได้ใหม่หรือว่าสุขได้ใหม่เป็นเรื่องของอดีตผ่านมาแล้วความภาคภูมิใจทํายังมาอีกเรียกว่าเอาซากความสุขเก่าๆมาเสพจนกระทั่งวันที่1ิบกันยายนองค์การอนามัโลกประกาศชาัดว่ามนุษยชาติเนี่ยหลงไปในความคิดมากแล้วก็ส่วนใหญ่ คิดแล้วฆ่าตัวตายถูกก็าตายยิงตัวตายกินยาตายโดดน้ําตายเดินในรถชนตายอะหรือ ว, ว่าตรอมใจตายกันให้ช่วยกันทีรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายโลกสิบกันยายนหลวงปู่เทียนเจือโพอุบัติขึ้นมาที่สิบสามกันยายนผ่านมาสามวันบอกมนุษยชาติประมาณเจ็ดพันตวรรานคนแย่ออกจากความคิดอย่าไปอยูอย่กับความคิดออกมาซะ มารู้สึกตัวเนี่ยตื่นนอนตื่นขึ้นมาเริมตาให้รู้สึกตัวพับผาพับผ่อนให้รู้สึกตัวล้างหน้าแปรงฟันให้รู้สึกตัวเดินไปไหนมาไหนให้รู้สึกตัวทําอะไรก็ตามมีความรู้ื้อรู้ตัวรู้สึกตัวก็ประกาศ ช, ชัดปัญญาชนได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามก็ได้ผลมีผลเยอะจํานวนไม่น้อยทีเดียวเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาวัดป่าส่งตอ่อล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้กันตรงๆ มีความเขียนท่านเป็นประธานแล้วก็มีตรีมิตรต่างๆอีกมากมายที่มุ่งตรงต่อความรู้สึกตัวเพื่อมีเป้าหมายของชีวิตที่มันจะเป็นกําไรชีวิตต่อไปก็คือหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขมีความสุขเสริมสามีการตื่นรู้แล้วก็เป้าหมายที่จะทำภพชาตินี้ทําเป็นไปได้คือให้มันอยู่เหนือทุกอยู่เนเกิดเนื้อแก่เนะือเจ็บเหนืาตาย มันไม่ใช่ความฝันลมๆลลแรงๆมันเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่กหนึ่งนะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับปัจจุบันกันนะแล้วเราก็สามารถที่จะทําได้ซะด้วยเราก็จึงไม่เสียเวลากันทุกครั้งที่เราลึกได้กลับมานวเสียงมันเป็นอย่างนี้พอพูดไปสักระยะหนึ่งเสียงมันก็มีปฏิิยาเสียงหกักนก็ขึ้นมามันก็มาค่อยากให้พูดท่านอะไร มันก็หมดกำลังเหมือนกันประมาณสักสิบสิบสามปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้มาพยายามที่จะชี้นำที่เราชี้นำเพราะว่ามันทำอย่างนี้มาเมื่อก่อนตอนบวชย้อนไปนิดหนึ่งก็มาอยู่ที่นี่หลวงพ่อมเขียนนะก็บอกว่าสงสีนรู้สึกตัวนะก็เลือกกดอยู่ มาที่แรกก็อยู่ตลาตลากไก่เป็นพระบวชใหม่ผมมาสนใจเรื่องตรงนี้หน่ยดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ได้เห็นจิตมันวาไหวเป็นความคิดเสร็จแล้วก็มันอยู่ตรงตลากไก่ไม่สงบเลยรู้สึกมันมีงานเยอะมากเลยทางแรงก็ก็มีวงปานนะเราก็รู้สึกว่าเดินก็ไม่สะดวกก็หลบเข้าไปอยู่กวดจิตแ ก็ไปทำฐานเดินจงกร ม, มเอาจอบไปทําทางเดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมตั้งใจที่ว่าเมื่อเห็นกายเคลื่อนไหวมันจะต้องเห็นใจนึกคิดต้องรู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรกันเนี่ก็ตั้งใจเดินจงกรมยัง ม, มีความคิดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคือมันคิดถึงสีกาคิดถึงว่าแม่บ้านของเราเนี่ยก็คงจะอยู่ยากแล้วก็คงจะทําอะไรพิลึกพิลึกผิดศีลผิดธรรมแบบมันก็คิด คงจะมีชู้ละมั้งมันก็คิดอย่างเง้นะมันรุนแรงมากเลยเราตั้งใจที่จะบวชแล้วก็มาปฏิบัติแต่ไอความคิดที่มันชวนกลับบ้านชวนสื้มันชวนให้คิดในเชิงที่เป็นอาโกศลเอาปืนไปยิงกันเนี่ยมันแวบขึ้นมาเรากเออเราเดินอยู่ดีๆมันมีความคิดประเภท น, นี้เกิดขึ้นมาเราก็จับหัวตัวเองเราก็หัวลวนก้อนคิ้วนุ่งห่มผ้าเหลือง ร่างกายระบบภาตจิตไม่ได้เป็นพระเลยจิตก็เป็นคนเาิคิดไปเอเปืนไปยิงกันแล้วเสร็จแล้วก็มีอาการปฎิยาต่างๆเกิดขึ้นมาทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจมันไม่ได้ปกติกเราก็มันเกิดอะไรขึ้นกลับมารู้สึกตัวใหม่ความคิดก็หายไปมันก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นี่แหละว่าจึงเห็นว่าโอ้มันเป็นไปได้ฮความโกรธนี่เห็นง่ายมันเกิดบ่อยความโลดม่เห็นยาก ให้ตัวสติทิมจะเด่นขึ้นมาเนีก็ต้องเรียกว่าทําให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆการวางกายยังไงวางใจยังไงความเป็นกลางเป็นยังไงอันนี้แหละมันจะเป็นประสบการณ์ของใครของเราที่เมื่อเราลงมือปฏิบัติลงมือกระทำํำก็ต้องพบต้องเห็นความพูดของจริงไม่ใช่ของปลอมเรจะทำในของจริงนะโกหกกันไม่ได้จริงๆใครทําใครก็รู้ใครทําใครก็ได้เป็นเรื่องคุณภาพภายในใจของใครของเรากันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย เก่าใครทําก็รู้เองว่าทุกมันเกิดยังไงสมมติฐานความทุกมันเกิดยังไงใ้โรงงานผลิตความทุกข์สมมติฐานตรงมันอยู่ตรงไหนเราได้เห็นชัดๆด้านเบื้องต้นการปฏิทําเนี่ยทําไปเถอะระดับแรกให้มีศรัทธาก็แล้วกันความเชื่อทําดีก็ดีทําชั่วก็ชัว่วทํากรรมฐานนี่มันอยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือความคิดมันมีอยู่ตรงนี้ความเป็นปกติจิตมันมีอยู่จริงๆนะ แต่ว่ามันก็จะต้องผ่านด่านสักหน่อยผ่านความง่วงอย่างนี้นะง่วงแล้วง่วงเอียกผ่านแล้วผ่านอีกเมื่อยแล้วเมื่ออีกก็ทำแล้วทําอีกจนผ่านจะรู้สึกว่าเดินแล้วก็ธรรมดาธรรมดาอยู่ตัวเดินก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกร่กรกรางกายก็ไม่ได้มีเหมือนกับว่าเชิญชวนให้ท้อแท้เบื่อหน่ายเครียดหลากปฏิบัติละเครียดบางทีทำอย่างอื่นไม่เครียดนะทำแล้วเพลิดเินแต่พอปฏิบัติไม่เพลิดเพลิน เรากมีความเสริมไม่ดีเลยอย่าง น, นบางทีมันเพลินก็มีเหมือนกันวันทั้งวันเดินได้แต่เช้ายันเมื่อเช้ายันมื่อ ย, ยกมือสร้างจังหวะได้เช้ายันเมื่อเช้ายันเมื่อเราก็ไม่ติดอีกเหมือนกันถึงเวลานอนต้องนอนถึงเวลาเราประทานก็ต้องรับประทานหรือว่ามีกิจวัตรประจําวันอะไรก็ไปทําเราก็สามารถทํำด้วยความรู้สึกตัวได้นะเพราะฉะนั้นนักบวาก็ต้องมีการสํารวมระมัด ร, ระวังดีดี ตาไม่ดูได้ก็ไปดูหูไม่ฟังได้ก็ไม่ได้ฟังเราพยายามอยู่กับตัวเองให้มากแต่จะฟังก็ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงภายในจิตใจของเรามันกําลังคิดกําลังบ่นกําลังพูดกําลังคุยกําลังสอนตัวเองจิตสอนจิตอย่างไรเรื่องทีกลับมารู้สึกตัวสติสอนจิตอย่างไรมันไม่ได้ใช้ความคิดสอนความคิดแต่เป็นระนาดของสติที่มันตัดทันทีออกมาจากความคิดกันทีก็รู้สึกตัว ก็ต้องรู้จักประมาณเวลาที่จะใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนหรือว่าจะกินจะขับถ่ายก็ต้องรู้จักประมาณให้พอดีพดีแล้วก็รู้สึกตัวนี่เกินไหวรู้สึกตัวนี่สังเกตเราเองไม่ช้าเป็นยังไงไม่เร็วเป็นยังไงความพอดีเป็นยังไงหรือว่าจะเร็วว่าเร็วเพราะอะไรเช่นเปนม่วงเจะไปทำช้าช้างราไปด่าก็ต้องเร่งหน่อยรู้สึกตัวให้แรงหน่อยให้มันแรงเรียกมาให้มันประสาน มันสั่นทั้งตัวเลยมันจะได้รุดออกมาจากความง่วงเหงาหง่นอนอะไรพวกนี้จากความเบื่อความแซงเลือความคิดเวลาคิดมากๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บสัมผัสจนกทั่งความคิดมันแทรกออกมาไม่ได้ก่อนมันเกิดกําลังของสมาธิตั้งมัน่นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ตรงของนักปฏิบัติที่สนใจใส่ใจใจนกทั้งมันรู้ทันอารมณ์ได้ไวตัดออกมาจากอารมณ์ได้ไว รู้ทันความคิดได้ไวขึ้นไวขึ้นจากทั้งออกมาจากความคิดมาดูความคิดเพราะฉะนั้นใหม่ๆมันจะได้กระแสหน่อยรู้จักอ่อนนี่คืออาการของรูปธรรมนี่คืออาการของนามธรรมมันจะรู้ว่าอ่อนนี่คือลักษณะความเป็นกลางๆอะไนี้มันจะสังเกตได้อันนี้ก็เหมือนกับว่ามันได้กระแสกันแล้วกันเแสดงว่มันเห็นวนะ่าเออนีความคิดเกิดมาตรงนี้มีสมมติฐานการคิดเพราะนี่มันต่อไปเกิดอารมณ์อย่างนึงตรงนี้ล่ะคือโดยส่วนตัว ผมและอาตมาเชื่อว่าเนี่ยคือได้หลักของกรรมฐ า, านตรงนี้แหละคือจุดที่วิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นในน้อยอ่อนๆหรือว่ามันมีกําลังมากขึ้นเข้มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการสนใจใส่ใจในตัวปฏิบัติเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริจงจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของอาการของรูปธรรมของนามธรรมจะเห็นรูปโลกรู ป, รปเป็นโลกยังไงมันแก๊กเกงเพ่งจ้องยังไงมันเผล อ, อยังไงหรือว่าจิตใจมันเก๊กเกงเพ่งจ้องเป็นไงร่วมเผล อ, อยังไง มันเห็นแล้วนะของโรค ก, กายโรคจิตคิดแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงเป็นโรคของจิตหรือว่าเราทํานานๆปฏิบัตินานๆเจ็บปวดเมื่อยตัวอะไรแนั้นเป็นโรค ก, กายได้โรคเอ็นเส้นกระดูกอากาศหนาวอากาศร้อนเจ็บคอไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ออนี่คือโรคของร่างกายเราก็ต้องใช้แล้วนะของยาหาหมอจิตดมอุมทาผ่าตัดเพื่อแก้ไขมันไปหิวก็ไปหากินปวดกระส้วาเข้าห้อง น, น้ํา แต่เรื่องของจิตใจเนี่ยคือ ร, รู้เท่ารู้ทันเวลาเขาคิดเข้าเน้นเขาปรุงเขาแต่งออกมันก็ตัดทันทีกลับมาทันทีแต่มอาการงดหนิดหรือปฏติฆะเบื้องต้นมันก็จะเริ่มเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ขาดศีแล้วก็กลับมารู้สึกตัวทันทีเพราะฉะนั้นลักนณะของคนมีศีนเนี่ยคื อ, ค, อความเป็นปกติของกายเป็นอย่างไรความเป็นปกติของวาจาเป็นอย่างไร เรได้เห็นสังเกตความติของจิตเป็นยังไงในที่นี้คือศีลมันปรากฏมีมากเข้าก็เลยวมันก็รักษาเราได้มากโจท่าเหมือนก็ว่าศีลนาสุขมาให้ศีลนําปกทติมาให้ศีลนําความเย็นมาให้อ๋อมันปกตินี่มันเป็นพลังแบบนั้นแล้วก็พอปกติมันก็เป็นบาดฐานจริงๆจิตมันก็ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งๆนี้ตั้งมั่นอยู่กับความเป็นปกติมันมั่นคงอยู่มันก็ไม่วันไหว มันจะรู้สึกอบอุ่นทีเดียวเพราะฉะนั้นมันนำมาให้ซึ่งสุกสุกอยู่ตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นและเทียมแคนก็คือมันเป็นจุดผู้ดูมันเป็นหน้าของญาณของปัญญามันก็จะเห็นความจริงเห็นาของความคิดที่มันมีจริงๆมันไม่ได้ห้ามมันเกิดขึ้นมาจริงๆแต่เรามีที่อยู่คิดแล้วมันก็ผ่านไปคิดแล้วมันก็ผ่านไปตรงนั้นเราเห็นหน้าของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆความคิดปกติเราเชื่อมาก เราคิดถูกเราคิดดีจนกรทั่งเป็นลนักณะของมิจฉาทิฏฐิยึดเป็นอน้าตาตัวตนบนเราก็เห็นแล้วอ๋อตรงนี้มันมันเชื่อไม่ได้มืนกันเป็นแค่อาการของจิตเฉยๆตรงนี้แหละจึงมีคําพูดเป็นภาษาของพระเจ้าเป็นลักษณของพุทธวิญญณว่าสีเลนิกุจเลนิอนุปเพนะอรหัตตายะปุเรนติติ ก็คือศีลเนี่ยที่เป็นกุศลศีลที่เป็นความฉลาดมันสามารถที่จะเข้าให้ถึงอรรถผลนะตามลำํำดังนี้ของผู้ปฏิบัติศีลทําให้เกิดความไม่เดือด เ, อเนื้อร้อนใจศีลเนี่ยเป็นบาดฐานความเป็นปกติเป็นบาดฐานให้เกิดความอิ่มใจเกิดอิติได้เกิดความสงบกายสงบใจได้ความสงบระงับกายระงับใจ มันเกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่เป็นสุขที่ได้มาโดยชอบที่เรียกว่าบุญเราก็ทําให้เกิดลักษณะของความเบื่อหน่ายคลายจางเกิดวิลาขะเกิดมาขณะนะที่ไม่ให้ราคาทางตาทางหูจมูริ้นกายใจตาดูว่าสักทวะหูฟังก็สักตัวว่ฉะนั้นเหมือนกับว่าไม่เข้าไปแหน่ลมเกิดความคิดขึ้นมาเกิดอารมณ์ตึงแจงเกิดมาความโกรกความปวความหมองมีสภาวะของ ความเป็นโปรติมีสติรู้อยู่ดูอยู่เมื่อเกิดการวิมุติหลุดพ้นได้อันนี้ก็ให้ตัวใครตัวเราเป็นบาดกันเอาเองสิ่งที่พูดไม่ต้องเชื่อแต่โดยส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อศรัทธาต่อแต่ศรัทธาคําสอนขององค์สมเด็จสามัคคีเจ้าศรัทธาคําสอนของหลวงปู่เทียนศรัทธาคําสอนของหลวงพ่อคำเขียนมีความศรัทธาในธรรมชาติศรัทธาใน กลยะมิตรหรือว่าสรรพสัตว์สรรสิ่ ง, งมีความเชื่อเราอยู่ได้ก็เพราะมีความดีของธรรมชาติที่ช่วยเหลือเราอยู่มีพ่อมีแม่มีคุณของพ่อของแม่มีคุณของอากาศมีคุณของน้ําของธาตุไฟธาตุดินจนทั้งธาตุขันของเราก็สามารถที่จะรารงอยูงง่ดดได้แต่ส่วนธาตุรู้จะกธาตุถาถาว่างเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าสัมมาปฏิบัติลงไปสัมมาปฏิบัติ กลับมาหากายหาใจหาความรู้เน้อรู้ตัวมีสติอยู่ยนะครับแต่เราเห็นว่าสิ่งที่พูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วก็เห็นว่าควรยุติไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วขอให้ความดีที่เราได้มาปราพึ่งปฏิบัติกันหรือว่าการเจริญสติฝึกสติเป็นลักษณะของสัมมาปฏิบัติก็ขอให้มีอนนี้สองจะนั่งเหมือนกับว่าเราทําที่สดแห่งกองทุกแล้วก็ ก็ขอให้เกิดกับเราในชาตินี้ปบนชาตินี้โดยตัวนักการทุกรูปทุกนามเธอ